อย่าลืมว่าเขาเนี่ยนะพระัญญาโกณธัญญานั้นได้ให้ทานเฉพาะพระภักของพระผู้มีพระภาคเจ้าและก็ได้ฟังธรรมแล้วก็ได้การเกิดการตั้งความปรารถนาที่จะตรัสรู้ธรรมนี่ตรงกันข้ามฝ่ายน้องชายน้องชายนี่ก็ทําแต่ว่าทําแบบแหมนั่นแหละตรอจนกว่าทุกอย่างมันบริบูรณ์พูนสุขมันเรียบร้อยเนี่ยแะข้าวกล้าใสา ย, ยุ้งใสช้างเสร็จแล้วเนี่ยแหละ เรียกว่าเรียกว่าว่างก่อนแล้วค่อยทําย่างั้นเถอะฮะเรียกว่ารอให้ตัวเองว่างก่อนแล้วค่อยได้ทําบุญซึ่งก็ได้ทำอ่ะนะแต่ว่าคนที่ผลัดวันประการพรุ่งเนี่ยนะคนที่ประสบความสําเร็จแล้วได้ทําบุญเนี่ยมีจํานวนไม่มากอย่างบางคนในะยุคนี้คล้ายๆก็เห็นชัดเลยว่าเดี๋ยวรอก่อนรอโ น, น่นรอนี่เมื่อนั่นเมื่อนี่ตัวเองค่อยได้ทําบุญเนี่ยนะ แต่ก็หลายคนก็ได้ตายไปซะก่อนค่อยได้ทําก็มีไม่ใช่น้อยบางคนก็บอกเมื่อพร้อมไปถึงขนาดนั้นก่อนแล้วค่อยเจริญกุศลดีไม่ดีไอสิ่งที่เขาว่ามันพร้อมมันดันไม่พร้อมอ น, นะเช่นตอนแรกก็อ้างว่าไม่พร้อมด้านโภกทรัพอ่นนะพอมีโภกทระซับตอนหลังก็อ้างว่าพร้อมไม่พร้อมเรื่องสุขภาพครั้งก็หนักๆเข้าก็กล่าวจะว่างานบริหารมันก็เลยเอาไปเอามาก็แทบไม่ได้เจริญกุศลเลยชีวิตทั้งชีวิตอาจจะไม่ได้เจริญ กุศลก็เรียกว่าเป็นคนที่หาเหตุผลจนไม่ได้เจริญกุศลกรณีของสุภัต t ะก็คล้ายกันแต่ดีว่าได้เจริญกุศลแต่ก็ถือว่าแมมเป็นประเภทแบบคือเสี่ยงมากะนะเป็นคนสุดท้ายเนี่ยเกือบสอบตกว่า ง, งั้นทำไมเกือบสอบตกไม่แหมมันก็ถือว่าเสี่ยงะนะแต่ก็ท่านก็ประสบความสำเร็จแล้วละเพราะว่าบุญบุญหรืออุปนิสัยที่ได้กระทาไว้ก็เป็นเป็นวาสนา นี่พอคิดถึงเราเองเราก็ไม่ได้ต่างอะไรจากท่านสุพัทธาหรอกเราลา้าเรียกว่าล้าหลังล่าช้ากว่าท่านสุพัทธา 2,000 กว่าปีากันแล้วกันนะเกือบ 3,000 ปีเนี่ยมันล่าช้ากันนั้นเลยนะถ้าถามว่าเราลา้าล้าหลังจากพระอัญญาโกณตัญญะเท่าไหร่ 2,500 ปีเอ้ย 2,52540 2,540 ของเราเนี่ยห่างจากพระสุภัสสะเนี่ยนะ 2,550 ปีเป็นอย่างน้อยอย่างนั้นเถอะอาจจะเกือบ 2,600 ปีด้วยซ้ําไปอ่ะห่างท่านมากเราคิดช้ามากแต่เทียบกับท่านสุภัทสะเนี่ยนะพผนของพวกเราเนี่ยช้ากว่าท่านเยอะถ้าจะไปเปรียบเนี่ยอยว่าท่านเลยเนี่ยนะก็ว่าไปแล้วเนี่ยของพวกเราช้าคิดช้าคิดท้าจริงอ่ะช้าแค่ไหนก็ดูทีว่า ไอ้ตอนที่พระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่เราเองก็ยังเวียนไหวตายเกิดนี่แหละไม่รู้ไปทําอะไรตอนนั้นตอนที่พระอริยเจ้ามีเยะแยะเราก็ไม่รู้ไปทําอะไรอยู่เนี่ยนะตอนแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีเหตุผลอธิบายได้ว่าเออเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะศึกษาแล้วก็ปฏิบัติในที่สุดก็จะหมดศาสนาไปจากโลกจริงๆนี่นนะนี่พูดถึงว่าออกรณีของท่านสุภัทธานี่คงบอกอะไรเราไม่ใช่น้อยว่าเราเองถ้าพลาดโอกาส จากการศึกษาและการปฏิบัติตามคำสอนการเห็นคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยเราเนี่ยอาจจะหนักกว่าท่านสุพัท ธ, ธ์ปริภาชกเนี่ยหลายพันล้านเท่านักเพราะท่านเป็นพาาาระหันดับขันทปรินิพานทำที่สุดแห่งทุกแล้วแต่เทียบถึงของเราละ่ะเนี่ยนะมันกุศลธรรมเหล่าใดที่เรารีบเร่งควรรีบ เ, เ ร, ง ร, เ ร, ง ร, เร่งเจริญควรเจริญเถอะแต่ว่าที่สําคัญบางคนก็รีบจนไม่รู้ว่ารีบไปไหนเหมือนกัน อันนี้ก็สำคัญไหมรีบจนเกินกลับเย็นจนไม่รู้ว่าจะเย็นไปถึงไหนทำเป็นใจยเย็นไปงั้นแหละเนี่ยนะบางคนก็เร่งรีบซะจนเรียกว่าหัวเรียกว่าหัวหกขมั่มไปหมดเนี่ยนะเรียกว่ารกระโโพกระเพลกไม่รู้ทำเพื่ออะไรก็ไม่ทราบมันก็หาความพอดีให้พบแต่ที่แน่ๆเลยก็คือว่าความถูกต้องในพระพุทธศาสนาของเราก็คือการหันหน้าเข้าพึ่งพระรัตนตรายหันหน้าเข้าหา พระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮัหน้าเข้าหาพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณส่วนที่เหลือการประพฤติปฏิบัติของเราก็เนื่องด้วยพระรตนตรัยเนี่ยนะเพราะชีวิตของเราก็สุดแท้แต่ว่าพระรตนตรัยท่านจะชี้นาชี้แนะไว้อย่างไรเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเลยพระรตนตรัยหรือล้าหลังจากพระรัตนตรัยเราก็ชื่อว่าพลาดแล้วละเนี่ยนะมันก็ต้องถือเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมันการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา อย่างไรก็อย่าลืมว่าเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าสสพัทะปริภาชกเนี่ยเป็นคนฉลาดมากหัวดีมาก น, นะถือว่าเป็นคนที่ร่ําเรียนมาเยอะมากถึงขนาดนั้นท่านก็ยังเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในวิสัยของผู้เป็นสาวกทั้งหลายความเจริญงอกงามการบรรลุมรรคผลเนี่ยต้องเนื่องด้วยพระพุทธเจ้าทั้งหมดพระษารีบดถึงจะมีปัญญาา ม, มากขนาดนั้นก็เนื่องด้วยพระพุทธเจ้าอริยะสาวกทั้งมวล น, นั้นท่านเหล่านั้น ตรัสรธ้ทำเนื่องด้วยพรัตนะตรายการศึกษาของเราก็ต้องเป็นไปตามหลักตามพรัตนตรายยิ่งสมัยใหม่ด้วยเนี่ยนะยิ่งยุคปัจจุบันด้วยถ้าไม่เอาพรัตนะตรายเป็นหลักนะเราเองก็อาจจะไปทําในสิ่งที่เรียกว่าไม่ใช่เกล็ดด้วยซ้ําไปเนี่ยนะอาจจะไม่ใช่เกล็ดของพระศาสนาด้วยซ้ําไปหรือถ้าเป็นต้นไม้ก็อาจจะไม่ใช่กิ่งไม่ใช่ใบด้วยซ้ําไปเนี่ยนะอาจจะเป็นอะไรแล้วก็ไม่ทราบเนี่ยนะห่างพระศาสนา ห่างจากสิ่งที่ควรสังเวก็คือห่างสองพันกว่าปีเนี่ยนะยังไงก็ดูกรณีของท่านสุภัทธานี่เป็นอุทาหอนเป็นเยี่ยงเป็นอย่างแล้วก็หลายครั้งอะนะตอนนี้ก็ได้แต่ว่า้พระธาตุในแต่ละลึกถึงพระบรม ส, รรมสารีริกธาตุก็ควรที่จะสังเวสลดใจแล้วถ้าหากว่าเห็นพระธาตุแล้วไม่เห็นพระพุทธคุณด้วยเนี่ยนะแม้ก็น่าน่าสลดสังเวกยิ่งกว่า น, นั้นเข้าไปอีกได้เห็นแต่พระธาตุแล้วก็ไม่รู้จัก พระพุทธคุณทีนี้ถ้าพอรู้จักพระพุทธคุณแต่ไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ประพฤติปฏิบัติอ ย, าอย่างไรถ้ายิ่งไม่เข้าใจก็ออยิ่งน่าสงสารขึ้นขนาดนั้นยิ่งน่าสงสารขึ้นขนาดนั้นเนี่ยนะั้นคนที่หวังประโยชน์ตนควรแล้วที่จะระลึก ถ, ถึงคุณของพระพุทธเจ้าด้วยความไม่ประมาทะระลึกถึงพระธรรมที่พระองค์สอนด้วยความไม่ประมาทเข้าใจในความปฏิบัติดีของพระอริยเจ้าทั้งหลายด้วยความไม่ประมาทเนี่ยนะ เนท่านสุพัทธาก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสุภัทธาปริพาชคเนี่ถือว่าเป็นคนที่ดีแล้วก็มีมารยาทศึกษาร่ำเรียนมามากเป็นคนที่มีความรู้เนี่ยนะก็เข้าไปหาท่านพระอนนท์ที่สาลวันอันเป็นที่เวทพระของมลรกสัตว์ครั้นเข้าไปหาท่านพระอนนท์แล้วก็กล่าวกับท่านพระอนนท์ว่าท่านพระอนนท์ข้าพเจ้าได้ฟังคำของปริพาชก นะซึ่งเป็นผู้แก่ผู้เฒ่าซึ่งเป็นอาจารย์และป้าจารย์อาจารย์เหล่านั้นท่านกล่าวอยู่ว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมอุบัติขึ้นในโลกเป็นบางครั้งบางคราวนะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระสมณะโคดมพระองค์นั้นจักปรินิพานในปัจชิมมยามแห่งราตรีวันนี้แลอันหนึ่ง ธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยคือความสงสัยของข้าพเจ้านี้บังเกิดขึ้นมีอยู่เรานั้นก็เลื่อมใสยอย่างยิ่งนักในพระสมณโคโดมอย่างนี้ว่าพระสมณโคโดมสามารถเพื่อจะแสดงธรรมเพื่อกำจัดความสงสัยอันนี้ให้แก่เราได้เชื่อว่าพระองค์แก้ปัญหาอันนี้ให้เราได้แน่นอนท่าน อ, น, อนุนข้าพเจ้านั้นขอท่านอนุ์ขอให้ข้าพเจ้าได้เข้าเฝ้าพระสมณโคโดมด้วยเถอด ก็คือไปขอร้องเนี่ยนะตามธรรมดาของผู้ที่มีมารยาททั้งหลายก็ไม่ใช่ว่าพลีพผลมเข้าไปเลยก็เข้าไปขออนุญาตเนี่ยนะขอโอกาสจากผู้ที่เขารับผิดชอบดูแลตรงนี้ท่านพ่านนนั้นก็มีความคิดว่าพวกอัญญะเดรธีลัทธิภายนอกโดยมากเห็นแก่ตัว โดยมากเป็นเรียกว่าเล็งเห็นแต่ประโยชน์ตนไม่เคยคํานึงถึงความทุกข์ความยากความลําบากของผู้อื่นอะไรเลยกวนขวายหาแต่ประโยชน์ตนแบบเรียกว่าที่ใช้คําว่าเห็นแก่ตัวเนี่ยนะไม่เห็นแก่คือไม่เห็นโดยความชอบความถูกต้องและก็ความชอบทำพวกนี้ถือเอาแต่ตัวเองเป็นหลักไม่ถือเอาทำเป็นเป็นประมาณเพราะฉะนั้นท่านท่านนนก็เลยห้ามห้ามว่าอย่าเลยสุภะะ อย่าเบียดเบียนพระตถาคตเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเหน็ดเหนื่อยนะอย่าไปให้ลําำองลําบากเลยนี้ก็จะปรินิพานอยู่แล้วเนี่ยนะซึ่งหมายก็ว่าจะไปรบกวนถึงไหนจะและให้พระองค์เนี่ยลําบากลําบนไปถึงไหนทีนี้ท่านสุภัททะนั้นอ่าปกติเนี่ยท่านก็เลื่อมใสในพระ อ, อ น, นุ์นะไม่ใช่ว่าท่านแต่ว่าท่านก็ขอร้องเนี่ยนะอ่าเพื่อที่จะได้รับประโยชน์ท่านก็เลยขอร้องเป็นครั้งที่สอง อันนะขอร้องเป็นครั้งที่สามว่าท่านพระอนุนเนี่ยนะเราเนี่ยนะข้าพเจ้าเนี่ยได้ฟังคําของพวกปริภาชกผู้แก่ผู้เฒ่าซึ่งเป็นอาจารย์และป่าจารย์ท่านอาจารย์เหล่านั้นกล่าวว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมอุบัติในโลกบางครั้งบางคราวพระสัมมโคดมนี้จ้าทปริทับนพุสานที่อยู่มยามแห่งราตรีวันนี้แล อันหนึ่งความสงสัยซึ่งบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้ามีอยู่เราเองนั้นมีความเลื่อมใสในพระสมณโคดมอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมนั้นสามารถจะแสดงธรรมเพื่อกำจัดความสงสัยแก่เรานี้ได้นะซึ่งพระนนก็กล่าวห้ามอีกอการกล่าวห้ามนั้นอ่ะซึ่งก็อยู่เฉพาะหน้านะพระผู้มีพระภาคอยู่หลังม่านก็คือมีม่านกัน้พนพระนรนก็สนทนากับสุพัทธ ป, ปริภาชกอยู่หน้าม่านนั่นแหละ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าอนอนล์อย่าเลยอนอน์อย่าห้ามสุพัทธะเลยสุพัทธะจงได้เข้าเฝ้าตถาคตเธอเหสุพัทธะาจาักถามปัญหายางใดอย่างหนึ่งกับเราถามเพื่อมุ่งความรู้ถามเพื่อมุ่งสติปัญญาไม่ได้ถามเพื่อมุ่งจะเบียดเบียนเราเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญประโยชน์สร้างบารมีทั้งหมดเพื่อให้ศรัทธาวิรยิยสติสมาธิและ ปัญญาเกิดขึ้นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่แล้วะพระองค์ตั้งความปรารถนาเพื่อให้เขามีปัญญาอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าพระองค์รู้แล้วหรือตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยคนที่มาถามคนนี้ถามเพื่อการตรัสรู้เขาไม่ได้ถามเพื่อความเบียดเบียนเพราะฉะนั้นให้เขาเข้ามาเถอะอันหนึ่งสุภัท ธ, ธ์ถามแล้วก็จับพยากรณ์นนะซึ่งเราเนี่ยถูกสุพัท ธ, ธ์ถามแล้วก็สามารถที่จะ พยากรปัญหานั้นแก่สุพัทธะได้และเขาเองเนี่ยเป็นคนที่มีบุญจักรู้ความข้อนั้นได้อย่างฉับพลันเขาเนี่ยสราบเป็นคนที่มีบุญมีวาสนาสั่งสมมาดีแล้วมันเมื่อตอบปัญหาไปเขาจะเข้าใจได้อย่างรวดเร็วอธิบายว่าอับพันยีสุเนี่ยนะรู้อย่างที่เจ้าลทัทธินั้นปฏิญญาเออขออภยัย อโนนเนี่ยนะเหตุผลอันหนึ่งอธิบายเพิ่มว่าพระองค์เนี่ยเสด็จมาปรินิพานที่เมืองกุสินารามาด้วยความภาคเพียรพยายามพักระหว่างทางเนี่ยเป็น ส, ส, สิบสิบครั้งเนี่ยมาเพื่อเหตุผลหนึ่งก็เพื่อจะโปรดสุภัทธะคนนี้แหละเพราะฉะนั้นปล่อยให้เขาเข้ามาเถอะเนี่ยนะท่านทานนนก็ได้กล่าวกับสุภัทธะปรินิาชกว่าไปเถิดสุภัทธาพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทานโอกาสหรือว่าเปิดโอกาสอนุ ญ, ญาตให้แก่ท่านแลว้วสุภาธาปริภาชกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสร็จแล้วก็ชื่นชมกับพระผู้มีพระภาคเจ้านะไปลักษณะไปแบบคนที่ไปด้วยปีติและสมณที่ได้พบได้เห็นเนี่ยนะมีความสุขที่ได้พบเห็นพระพุทธเจ้าคือมันก็มีอยู่สองกลุ่มบางพวกเนี่ยนะที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ามีแบบเป๊ก เขาก็เหมือนว่าถูกเก์มาเฝ้าอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะมานั่งแกนแกนมานั่งแบบให้มันหมดเวลาหมดเวลาไปจะได้กลับบ้านแค่นั้นเองบางพวกนี้ไม่ใช่น้อยนะที่เข้ามาลักษณะนี้เดี๋ยวจะหาว่าเราเป็นคนที่ไม่ฝ่รู้ไปก็ไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละนี่นะแต่ว่าสุภัธาไม่ได้ไปอย่างนั้นไปด้วยความชื่นชมนะนะไปด้วยปีติและโสมนัสเมื่อไปถึงแล้วก็กล่าวถ้อยคาเป็นที่ชื่นชมแปลว่าเป็นที่ตั้งแห่ง ติติและปราโมทพูดชวนให้ระลึกถึงกันและกันผ่านไปแล้วก็นั่งณนาที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็คือประกาศว่าท่านนั้นดีใจที่ได้พบเห็นพระพุทธเจ้าดีใจที่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนยะเสร็จแล้วก็กราบทูลถึงธุระธุระที่ตัวเองมาเนี่ยนะก็คือมาเพื่อถามปัญหากับพระพุทธเจ้าก็เลยถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งนะะซึ่งสมัยนั้นลัทธิก็ไม่ใช่น้อยนะลัทธิเยอะมากอ่ะนะสมณพราหมณ์เหล่านั้นซึ่งเป็นเจ้าหมู่เจ้าหมู่ก็คือไมามาพวกใหญ่มากเลยเป็นเจ้าคณะเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้มียศเป็นเจ้าลัทธิชนเป็นอันมากสมมุติบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นคนดีนะเป็นาศาสดาวางนั้นเถอะ ปฏิยะนับถือคนเหล่านั้นว่าเป็นาศาสดาเป็นครูบาอาจารย์แม้ประชาชนไม่ใช่น้อยสละชีวิตเพื่อบุคคลเหล่านี้เลยเช่นปุรณะกัสปะมัคลิโคสารอาชิตะเกษกัมพลปกุธักัจยนะสัญชัยเวรัฐบตรนิครณหนา้าตบตรแต่ละคนเนี่ยนะเป็นคนเด่นคนดังเป็นเจ้าหมูเจ้าคณะเป็นคณอาจารย์มีชื่อเสียงมีบริวารเป็นเจ้าลัทธิเผยแผ่ศาสนาเป็นของตัวของตัว คำถามมีอยู่ว่าสมณะพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดตรัสรู้แล้วตามที่ตัวเองปฏิญญาคือทุกคนปฏิญญาณว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าเขาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่เขาอวดกันไหมอันหนึ่งอย่างที่สองหรือเขาเนี่ยไม่ได้ตรัสรู้อะไรเลยเป็นคนโง่เขลาพูดเพ้อไปอย่างนั้นอย่างนั้นเลยหรือว่าบางพวกไม่ได้ตรัสรู้บางพวกไม่ได้ตรสัตรสรู้บางพวกตรัสรู้แบ่งออกเป็นสามอย่างเนี่ยนะหนึ่ง ตรัสรู้ทั้งหมดทุกกลุ่มตรัสรู้หมดเลยอย่างที่สองไม่มีใครตรัสรู้เลยสักคนเดียวอย่างที่สามบางพวกตรัสรู้บางพวกไม่ตรัสรู้มีบรรลุบ้างไม่บรรลุบ้างอยู่ในนั้นนะนะ